บันทึกที่สองจากบันทึกพิเศษท้ายบทการแปลบาลีในกาลามสูตรคำบาลี1ิบหัวข้อในพุทธพจน์ที่เรียกกันว่าเป็นหลักความเชื่อในกาลามสูตรเป็นตัวอย่างหนึ่งของข้อความที่แปลให้ตรงความหมายอย่างเต็มใจได้ยากเหตุข้อแรกที่ทำให้แปลยากก็คือในบาลีข้อความแต่ละประโยคนั้นแต่ละประโยคนั้นเป็นสำนวนภาษา ที่ไม่มีตัวกริยาปรากฏมีแต่คำว่ามาในภาษาบาลีทางวยากณร์เรียกว่าเป็นนิบาต ท, ที่แปลว่าย่าขอให้ดูสามข้อแรกเป็นตัวอย่างดังนี้มาอนุสเวนะอย่าจุดจุดจุดด้วยการฟังตามกันมามาปรมปรายะอย่าจุดจุดจุดด้วยการถือสืบกันมา มาอิติกิรายะอย่าจุดจุดจุดด้วยการเล่าลือปัญหาสำหรับผู้แปลก็คือตามสำนวนภาษาบาลีในที่นี้คำกริยาอะไรถูกละไว้ฐานเข้าใจหรือว่าจะโยกคคำกริยาอะไรใส่หรือเติมเข้ามาถ้าว่าตามที่พูดกันมาแบบให้เข้าใจง่ายๆโดยไม่ต้องตรวจสอบหลักฐานก็ว่าอย่าเชื่อเมื่อจะตรวจสอบให้รอบคอบขึ้น ตามปกติก็ดูพระไตรปิฎกจะบับแปลภาษาไทยก่อนในสมัยที่หนังสือพุทธธรรมเกิดขึ้นคือเมื่อพุทธศักราช 2,514 พระไตรปิฎกจะบับแปลภาษาไทยมีอยู่ชุดเดียวคือพระไตรปิฎกภาษาไทยอนุสอนงานฉลอง25พุทธศตวรรษพุทธศักราช 2,500 ซึ่งแปลพุทธพจน์รตรงนี้ว่าอย่ายึดถือผู้เรียบเรียงอ่านคําแปลนี้แล้ว รู้สึกว่าสื่อความหมายน่าจะไม่พอดียังไม่ตรงอย่างเต็มใจก็ดูต่อไปโดยค้นหาคำอธิบายของอัตตกถ า, ออธธาซึ่งปรากฏว่าท่านเติมคำกริยาให้เป็นมาคันหิตะซึ่งแปลว่าอย่าถือเอาหรืออย่ายึดถือแม้จะดูต่อไปในอัตตกถาเล่มอื่นด้วยเพราะความบาลีสิบข้ออย่างในกาลามสูตร หรือเกษาปุตตะโสดนี้มีในพระสูตรอื่นด้วยคือสารหาสูตรและพัทธิยะสูตรปรากฏว่าก็ไม่ต่างออกไปคือในอัธกถาของพัทธิยะสูตรซึ่งก็คือเล่มเดียวกับอัธกถาแห่งกาลามาสูตรนั่นเองก็อธิบายว่ามาคันหทะซึ่งมีความหมายตรงกันนี่ก็แสดงว่าท่านผู้แปลพระไตรปิฎกภาษาไทย อนุสร์งานฉลอง25พุทธศตวรรษพุทธศักราช2500ส่วนนี้แปลตามคำอธิบายของอััตกะถาถึงตอนนี้ผู้เรียบเรียงก็ต้องพิจารณาตัดสินใจว่าเมื่อไม่เต็มใจกับคำแปลที่ท่านว่ากันมาแล้วตนเองจะแปลว่าอย่างไรเหตุอย่างหนึ่งซึ่งทำให้หาและคิดคำแปลตรงนี้ด้วยความพยายามมากสักหน่อย นอกจากเพราะหาคําที่สื่อความหมายได้ชัดตรงพอดีทันทีไม่ได้แล้วก็คือเมื่อครั้งเขียนพุทธธรรม36ปีก่อนโน้นคนไทยเพิ่งได้ยินและพูดถึงการามาสูตรกันไม่นานแต่ฝรั่งเจอการามาสูตรแล้วตื่นเต้นหรือสนใจมาก้วยเห็นเป็นเรื่องแปลกว่ามีศาสนาที่บอกคนว่าอย่าเพิ่งเชื่อแล้วคนไทยก็เลยได้ยินได้รู้จักได้สนใจ และพูดถึงกาลามาสูตรกันขึ้นมาบ้างแต่คนไทยไม่น้อยแทนที่จะมองความหมายในทางที่จะกระตุ้นการแสวงปัญญากลับชอบตีความในแง่ที่จะอยู่กับความง่ายไม่จริงจังหรือพอให้สนุกสนานสาสมใจดังที่มีการตีความหรือแกล้งตีความแล้วเอามาพูดในความหมายเชิงเล่นเชิงลบว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าเชื่อครูอาจารย์ หรือทรงสอนไม่ให้เชื่อครูอาจารย์ในระยะนั้นอาจารย์ที่บรรยายวิชาพระพุทธศาสนาบางท่านจึงค่อนข้างเน้นหรือเอาจริงเอาจังกับการพยายามอธิบายในที่ต่างๆว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสในกาลามาูตรนั้นไม่ใช่หมายความว่าไม่เชื่อครูอาจารย์ผู้เรียบเรีออยงนึกถึงเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าถ้ายังหาคาแปลที่ตรงความหมายอย่างเต็มใจไม่ได้ อย่างน้อยก็ควรเป็นคําแปลที่ช่วยให้คนอ่านไม่เข้าใจผิดหรือเอาไปตีความหรือแกล้งตีความผิดผิดหรือเลยเถิดไปอย่างที่ว่ามานั้นนี่ก็เป็นภาระด้านหนึ่งพร้อมกันนั้นอีกด้านหนึ่งคือเรื่องข้อมูลเดิมหรือหลักฐานที่อ้างอิงนอกจากต้องซื่อตรงแล้วก็ต้องให้ผู้อ่านเข้าถึงหลักฐานเดิมตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้พร้อมบริบูรณ์ที่สุดเพื่อให้เขาเป็นอิสระและมีโอกาสเท่ากับผู้เรียบเรียงเองในการที่ใช้ปัญญาพินิษพิจารณาเรื่องเดิมนั้นมิให้มติของผู้เขียนหรือผู้เรียบเรียงกลายเป็นตัวปิดกั้นเขาจากข้อมูลเดิมซึ่งผู้เขียนหรือผู้แปลอาจกลายเป็นผู้บูกขาดทางความคิดไปโดยไม่รู้ตัวนี่ก็หมายความว่าเมื่อผู้เขียนหรือผู้เรียบเรียง พยายามทำคำแปลใหม่ขึ้นมาที่มีแง่มุมแปลกไปบ้างก็ควรบอกให้ผู้อ่านรู้ตัวและให้เขาแยกได้ว่าข้อมูลเดิมว่าอย่างไรอันไหนเป็นข้อมูลเดิมอันไหนเป็นมติหรือเป็นความคิดเห็นของผู้แปลเรียบเรียงสำหรับพุทธพจน์หรือข้อมูลในพระไตรปิฎกถ้าส่วนไหนมีข้อมูลคำอธิบายในอัตถกถาตลอดจนคำไขขยายความในคำบีทั้งหลายที่ควรรู้ ก็นำมาแสดงไว้ด้วยยิ่งพรั่งพร้อมเท่าไรก็ยิ่งดีเพราะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาที่ผู้อ่านจะยิ่งเป็นอิสระในการใช้ปัญญาทั้งนี้ก็เป็นไปตามหลักการสามัญที่มองคาพี พ, พระพุทธศาสนาในฐานะข้อมูลเพื่อให้รู้ไม่ใช่ข้อมูลเพื่อให้เชื่อยิ่งสำหรับหนังสือนี้ที่เขียนโดยมุ่งให้รู้ว่าท่านว่าอย่างไร ไม่ใช่เราว่าอย่างไรก็ยิ่งต้องเอาใจใส่ในการนำเสนอข้อมูลเหล่านั้นเพียงแต่แยกความชัดเป็นสองชั้นคือท่านว่าอย่างไรตามคาหรือข้อมูลของท่านเองเช่นพุทธพจนี้ชั้นหนึ่งและท่านว่าอย่างไรตามที่เราเข้าใจแล้วเอามาว่าให้กันฟังอีกชั้นหนึ่งครั้งนั้นในที่สุดเมื่อคิดคำแปลที่สื่อความหมายได้ตรงอย่างเต็มใจยังไม่ได้ ก็พักไว้ก่อนและตกลงใช้คำแปลของพระไตรปิฎกภาษาไทยอนุสอนงานฉลอง25พุทธศตรวรรษพุทธศักราช2500ที่ตั้งอยู่บนฐานของอัตถกถาว่าอย่ายึดถือโดยทำเชิงอัดบอกความคิดความเห็นความเข้าใจและความต้องการของผู้เรียบเรียงไว้ดังนั้นในพุทธธรรมฉบับเดิมคือฉบับในชุดวันไวยทยากรพุทธศักราช2514 หน้า136เมื่อลงคำแปลกาลามสูตรโดยคงไว้ตามพระไตรปิฎกแปลจะบับดังกล่าวนั้นแล้วจึงทำเชิงอัดกำกับไว้ด้วยว่าคำว่ายึดถือในที่นี้ใช้ไปพลางก่อนเพราะยังหาคำเหมาะสมไม่ได้ขอให้เข้าใจความว่าหมายถึงการไม่ตัดสินหรือลงความเห็นแน่นอนเด็ดขาดลงไปเพียงเพราะเหตุเหล่านี้อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นปีเดียวคือในพุทธศักราช 2,515 ได้เริ่มพิมพ์หนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมซึ่งเมื่อพิมพ์ครั้งแรกเสร็จออกมาในปี 2,518 เรียกชื่อเพียงว่าพจนานุกรมพุทธศาสตร์เมื่อถึงทำหมวด1ิบในคำว่ากาลามสูตรกังขานิยฐานสิบได้ตกลงใช้คำแปลใหม่ที่ตนเองพอใจในขั้นยอมรับได้ คือคำว่าอย่าโปร่งใจเชื่อซึ่งเห็นว่ามีความหมายที่ไม่ละเลยหลักฐานเดิมคือมาคันหิตะและสื่อความหมายร่วมสมัยได้ค่อนข้างเต็มใจดังนี้หนึ่งมาอนุสเวนะอย่าปรงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมา 2. มาปรำปรายะอย่าโปรงใจเชื่อด้วยการถือสืบสืบกันมา สมาอิติกิรายะอย่าปรงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ 4. มาปิตกะสัมปทาเนนะอย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคำภีร์ 5. มาตักกะเหตุอย่าปร่งใจเชื่อเพราะตักกะ 6. มานยะเหตุอย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน มาอาการะปริวิตักเกนะอย่าปลงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล 8. มาทิฐินิชานักขันติยาอย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษีที่พินิษไว้แล้ว 9. ามาพัพปรรูปตายะอย่าปลงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้1ิ 10. มาสมมโนโนครรติอย่าปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเราต่อมาอีกประมาณ22ปีพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุาลารงกรราชวิทยาลัยซึ่งพิมพ์เสร็จออกมาในพุทธศักราช2539ก็ได้ใช้คำแปลภาษาไทยของความทั้งสิบข้อในการลามสูตรว่าอย่าปลงใจเชื่ออย่างนี้ทั้งหมด แต่ข้อห้าเพราะตา ก, กะเติมข้อความในวงเล็บว่าการคิดเอาเองครั้นถึงปลายปีพุทธศักราช 2,521 ได้เริ่มเขียนเพิ่มเติมพุทธธรรมซึ่งขยายออกไปกลายเป็นพุทธธรรมฉบับปรับป ร, รุงและขยายความที่พิมพ์เสร็จในปี 2,525 แม้จะปรับปรุงและเพิ่มเติมมากแห่งแต่ในตอนว่าด้วยการลามาสูตร ได้ตกลงคงคำแปลไว้าตามฉบับเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปตามพุจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมตลอดจนพุจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลสัพที่ปิ่มครั้งแรกในปี2 5 2 2ซึ่งใช้คำแปลตามฉบับประมวลธรรมแต่นำคำแปลหมายว่าอย่าปล่งใจเชื่อนั้นไปใส่เพิ่มไว้ในคาชี้แจงที่เชิงอัดซึ่งก็ได้ขยายความออกไปด้วยดังนั้น ในพุทธธรรมจะบับปรับปรุงและขยายความพุทธศักราช2525หน้า651จึงลงคำแปลกาลามสูตรโดยมีเชิงอัดว่าคำว่ายึดถือในที่นี้ขอให้เข้าใจความว่าหมายถึงการไม่ตัดสินหรือลงความเห็นแน่นอนเด็ดขาดลงไปเพียงเพราะเหตุเหล่านี้ตรงกับคำว่าอย่าปลงใจเชื่ออันหนึ่ง ไม่พึงแปลกความเลยเถอไปว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้เชื่อสิ่งเหล่านี้และให้เชื่อสิ่งอื่นนอกจากนี้แต่พึงเข้าใจว่าแม้แต่สิ่งเหล่านี้ซึ่งบางอย่างก็เลือกออกมาแล้วว่าเป็นสิ่งที่น่าเชื่อที่สุดท่านก็ยังเตือนไม่ให้ปร่งใจเชื่อไม่ให้ด่วนเชื่อไม่ให้ถือเป็นเครื่องตัดสินเด็ดขาดยังอาจผิดพลาดได้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาก่อน ก็ขนาดสิ่งที่น่าเชื่อที่สุดแล้วท่านยังให้คิดให้พิจารณาให้ดีก่อนสิ่งอื่นคนอื่นเราจะต้องคิดต้องพิจารณาระมัดระวังให้มากสักเพียงไหนบันทึกพิเศษท้ายบทนี้จะช่วยให้เห็นว่าอยาปลงใจเชื่อเป็นคำแปลที่มีภูมิหลังซึ่งเน้นการแก้ปัญหาความเข้าใจผิดหรือตีความผิดผิดอันพึงระวังในสังคมไทยอย่างน้อยสมัยหนึ่ง จึงไม่ใช่เป็นการยืนยันว่าจะตรงความหมายอย่างเต็มใจโดยสมบูรณ์และผู้ศึกษาสามารถใช้โอกาสจากข้อมูลที่นำมาแสดงหรือแจ้งแหล่งไว้ในการทำความเข้าใจของตนเองให้เห็นความหมายที่ชัดยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นก็เป็นการบอกกันว่าถ้าจะมีการสันและสันคำแปลที่ตรงพอดีและเต็มความหมายยิ่งกว่านี้ขึ้นได้ก็พึงต้อนรับด้วยความยินดีนอกจากกรณีเฉพาะนี้แล้ว ผู้อ่านจะมองเห็นกว้างออกไปด้วยว่าคำแปลพุทธพจน์และคำบีทั้งหลายที่นำมาแสดงไว้สำเร็จด้วยหลักการอันใดและเป็นมีขึ้นมาอย่างไรเหตุใดเรื่องราวเล็กน้อยหรือถ้อยคำนิดเดียวบางทีจึงมีความเป็นมายุ่งยากและยืดยาวอย่างยิ่ง